สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสังสรรค์สนทนา 05.00 น. ถึง 05.30 จัดรายการนี้ให้กับพวกเราทุกๆคนค่ะโดยได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ไพบุลอภิปุณโณจากวัดป่าดอนหานสูอุดรธานีแล้วก็สถานีวิทยุ ส.ม. ครอบครัวข่าวตอนนี้เราก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลย ศัพท์นิดนึงว่าจงกรมคืออะไรกันค่ะเอ่อ 5 อย่างเอ่อ นะถึง 4 อย่างอันดับแรกเราที่อดทนต่อการเดินทางไกลค่ะอัน 2 ก็อดทนต่อ<ใช> 1 กิโล เราก็จะ 500 เมตรหรือ 200 เมตรเราถึงจะเริ่มเหนื่อยอย่างเงี้ยนะเนื่องจากว่า 2 ก็คือเอ่อเป็นผู้ที่อดทนต่อการ 2 แบบนะๆจังๆๆจังๆ นั่งสมาธินี่ก็ต้องใช้ความเพียรนะคุณโยมติวนะความเพียรในการนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยคุณนั่งเฉยๆเป็นชั่วโมง 2 นี้เอ่อ 3 คือจะ นะอาพาธคืออาการป่วยต่างๆนะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องระบบการเดินหายใจ นะ, นะ, 4 นี้สําคัญกันคือทํา ธาตุในร่างกายธาตุไฟเนี่ยมันไม่บางทีมันเย็นเกินไปคุณก็ร้อนร้อนออกมาซึ่งถ้าระบบธาตุธาตุไฟของเราแล้วธาตุส่วนหนึ่งสําคัญว่าย่อยอาหารเพราะฉะนั้นพอมีการเดินเนี่ย 4 ก็ระบบ <Okay. S 1> การแขย่ 5 ตรงที่จะพูดถึง <Okay. S> 1 แต่ข้อ 5 ในที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยสมาธิที่ จะพรเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งขูขาเข้ามาโดยรอบหลับตาตั้งไกตรงเนี่ยแล้วเกิดจิตเป็นสมาธิขึ้นสมาธิ มันเต็มมีแมมตรงนี้จากประสบการณ์ของเราเองแล้วตัวอาตมาเองเวลาเอาเท้าซ้ายนําเท้าขวาเดินนะกําหนดจุดที่เราจะกลับตัวที่เราจะเดินไปถึงว่าแล้วจิตของเราก็กําหนดอยู่กับลม เวลาที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยเอ่อบางทีใช่อยู่สมาธิที่เกิดในความเห็นอาตมา ก็เลยมาพิจารณาว่าเอ๊ะทําไมมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าเราอาจจะไม่ชํานาญก็เป็นไปได้ตัวเราเองอาจจะไม่ชํานาญหรืออาจจะทําได้ยากกว่าเอ่อก็มามาพิจารณาเรื่องเอ่อพุทธพจน์อันไหนที่อาจจะมี 5 อย่าง นะเป็นผู้อดทนต่อหูจมูกลิ้นกาย 5 อย่างนี้นะถ้าคุณอดทนตาตาหูจมูกลิ้นกายได้เนี่ยได้ดีเนี่ยคุณก็จะว่าโอ้คงจะเป็นเพราะว่า คือมันมีผัสสะ 5 อย่างเนี่ยมาตลอดค่ะอ่าเปรียบเทียบกับการนั่งการนั่งตาเราปิดหน้าตาไม่มีละกายเราก็ไม่ได้ คือถ้ามันก็จะมีมากกว่าผัสสะมาเอ่อค่ะนะอืมเท่ากับว่าใช่ๆนี่นี่เป็น จะทําให้เมื่อสมาธิตั้งอยู่แล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานใช่มั้ยคะใช่ๆแต่ใบเท่านี้แต่แปลว่าเมื่อเกิดแล้วจะอยู่นานแต่ ก็จะช่วยทําให้จิตตั้งมั่นได้เร็วขึ้นอืมก็เนี่ยก็ได้เอ่อได้อืมใช่ๆก็ใช่ค่ะงั้นว่าท่านเดินแล้วเป็น อ่าตัวเองเนี่ยบอกไอ้เราชอบใช่ก็สุดแท้ใช่นะคือเราต้องลองทําทุกรูป แล้วมิสิกาดิฉันคิดว่าคนที่อยู่ในใช่มั้ยใช่ค่ะงั้น แล้วไปไหนมาไหน <sk r 2> แล 30 วันก็กลับบ้านไปต่างประเทศอาทิตย์นึง 1, 1 เดือนเดี๋ยวก็กลับมาที่บ้านไอ้การที่กลับมาที่บ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นวิหาร <sk r 2> วิหารในการอยู่ว่างๆจิตใจว่างๆสบายๆอ่านี่คือที่อยู่ของพระ นะคือจิตเราจะกลับมาที่เราไม่ใช่ๆเราต้องฝึกมันบางทีมันจะกลับมาอยู่ในกายอาจจะไปดูซึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้น เอ่อปลุกต้นไม้ทําสวนกวาดบ้านเอ่อทําอะไรประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์ 2-3 ชั่วโมงทั้งคืนแต่ เป็นสมาธินอกเป็นสมาธิแบบที่ต้องใช้ความคิดเอ่ออย่างเวลาเราเราทําข้อสอบอย่างเงี้ยเราคิดอยู่ในเรื่องข้อสอบมีวิตกวิจารณ์นั่นเองมีค่ะเอ่อทีนี้ osionfish. ถ้าสมาธิจริงๆมันจะไม่มีความกลางวนกลางวนเพื่อไม่มีความเครียดจะอ enseñอดแล้ว empathetic ถ้าเราทำถูกก็สาวความตร Stellar lanes choice time chore URE क loves you skin鍵 positive socks on your poor name left nonprofits delivering något to Monday to Hellize is theirarkicaldelferia apart-shaped eher kavimisc- таких bonمل色 aplication wrote, work〜fluid. Als we theme nota��게요 Quilla ale also wrote helpful Algun's text. Waits .шей rain化 auf hat is low Finding K� processed and girl. We อ่าทําเป็น <Okay. S 2> 10 ปีย้อนหลังเนี่ยเราทํามันมากเลยแล้วก็มีจิตใจบันเริงเอ่อบันเทิงร่าเริงสบายใจทําๆนะ นะความกลัวเนี่ยจะจะเป็นเครื่องกั้นกั้นอืมก็อย่างนั้นเถอะใช่มั้ยคะแต่ว่าเหมือน เหนื่อยนี่ไม่เป็นไรแต่เหนื่อยนี่หมายถึงว่าจิตมันกลัวอย่างที่ท่านพูดแต่ กับพวกที่เมื่อยซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของสังขาร อ่ะทําจิตให้สมาธิลึกลงไปตัวผู้พอกายเมื่อยแล้วจิตอ่อนเพลียจิตอ่อนเพลียที่ๆก็คือเข้าสมาธิมันลึกเข้าไปนะเพื่อให้ ก็คงได้ความรู้กันเต็มที่คงได้ความรู้กันเต็มที่และสําหรับพระอาจารย์ ทำในส่วนที่เป็นงานแล้วก็ให้